ท่านท่านผู้ 2533 ตรง 14 ค่ํา 6 วันรุ่งขึ้น อันอื่นขึ้นมาถึงอกก็เป็นเรื่องของ กุ๊กกิกไอ้กุ๊กกิกนี่ชื่อจริงๆอะไรเกษมศรีอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนขอดูตารางก่อน เพราะว่าสุนัขที่ๆเฉพาะก็สารเข้าหัก ก็ไปชั้นล่างไปที่กุฏิชายน้ําเป็นที่ปูพื้นกับเบื้องๆทําที่ขายอาหารรับทาน <c oughs> ตอนที่ 12 ไร่ได้ยินเสียงบีบพาดบรรเลงก็คิด ตอนเช้ามันก็ดีเมื่อตอนก่อนเพลตอนก่อนเพลน่ะมันดีพอฉันเข้าเป็นเสร็จร่างกายง่วง ทำลายระบบประสาทต่างๆทั้งหมดในเมื่อโรคเก่ามา 14 ค่ํา 6 ใกล้ วันนี่ยังอยู่ที่ปาศีมาจันธ์ieth..อาเผอศีมาจันธ์...จงภาร์บุรี่ กำลังผลึกที่วิตรีการถุดดงแบบอุกกริตการผลึกถุดดงเวลานั่งกาดแบก และ惜opolitาง ก็ต้องขอตอบว่าปริยัติกับปฏิบัติปัญหากันไม่ได้ถ้าใช้ปริยัติ ขาดสติสัมปชัญญะขาดตัวปัญญาแจ้งความเข้าใจของนักปริญญาโดยตรงไม่ค่อยจะตรงกับความเป็นจริงในเป็นบ้านนอกที่วัดบ้าน <c oughs> เป็นวัดเจ้าหน้าตำบลก็แบะตำราวิชานั่งทำโทไป ทกถ้อย เอาถามบรรดาครูที่ท่านจะมาสอนในเวลากลางคืนหรือดีไม่ดีท่านถ้าถามครูบาอาจารย์มาจากครูบาที่มาสอนบางทีก็เป็นคฤวาสเป็นผู้ชายก็มีเป็นผู้หญิงก็มีเป็นคนแก่ก็มีเป็นคน ถ้าจะมาตามความจำเป็นจะมาตามความ 6:00 เย็นนี่ก็ 6:30 น. น, น, น, น, นที่ เรากําลังนั่งอ่านหนังสือ 2 องค์ก็ทําเช่นเดียวเสร็จรู้สึกว่าการอ่านหนังสือมันเหนื่อยบาง กรรมฐานจริงๆแล้วไม่ได้คิดหวังจะฌานแต่ต้องการฌานสมาบัติต้องการอะไรไม่มีเลยมีความต้องการอย่างเดียวคือ คำว่าที่สุดของอารมณ์ 1 ก็เก่งที่สุด 2 ก็เก่งที่สุดของ ป. 2 เอาเก่ง หวังว่าที่หรือว่าฟังมาจากตอนต้นของจําตําราตุ่มน้ําได้เมื่อจิตถึงที่สุดตําราตุ่มน้ําก็ปรากฏขึ้น ไปพรหมโลกกันบ้างไปนรกบ้างไปแดนเปรตบ้างไปแดนสุรกายบ้างไป ทำอะไรไว้จึงตกนรกทำอะไรไว้จึงถ้าท่านบอกฟังอย่าง ออกๆเสร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มีความเพราะอะไรเราอยู่ถึงแม้ <c oughs> 3 องค์ก็เหมือนอยู่องค์เดียวความกลัว ในกาลที่ 2 อาจจะงูกัดตายในกาลที่ 3 อาจจะป่วยตายในกาลที่ 4 แต่ความอารมณ์ไม่ดี ขณะเมื่อตัดสินใจอย่างนี้ นึกในใจว่ามีพระองค์ไหนบ้างที่ท่านจะเมตตาบอกเราว่าก่อนที่เราเกิดมาจากไหนพอนึกเพียงเท่า <c oughs> ก่อนที่เธอจะไปเกิดเป็น 4 เวลานั้นหลายชาติมาแล้ว <c oughs> ก็ถามท่านว่าจะลาชาติ เธอมาจากพรหมชั้นที่ 4 เวลาตายแล้วต้องกลับขึ้นไปสูงกว่านั้นความรู้สึกก่อนอย่าตายเธอต้องรับภาระพุทธภูมิ hon. ในเวือดเธอหลาจากภูตภูมิ blondomi แล้วเธอต้องทำงานภูติภูมิ drafted จึงกว่าจะสิ่นลมปราสเมื่อข Synesged buying text. เพื่อหรือพวกมันภูมิ analyzing what is next. เมื่อบราช Vegettw 170 Saturday I am all représent пред surprising NOB Edition. เป็นครั้งames, กร manga 5s. Veter każda Pi'adion, has 3 pats เมื่อมันเริ่มأ nombre ค gifted ทำ since Kを聞く sh Woman 2 3 pats Cring Adion is bitter and sweet and 서명 khuan ความดีส่งผลให้ให้อยู่อายุเท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นแล้วกรรมที่เป็นอกุศลคือผลของความชั่วมันจะมาริตรอนอย่างไรก็เป็นให้เป็นก็มันจะมาริตรอนเมื่อไหร่ งานนั้นยังไม่เสร็จตามเธอก็ยังตายไม่ได้ก็ถามว่าใครจะเป็นคนสั่งท่านก็ตอบว่าวัน <c oughs> แต่ก็บอกว่าขึ้นชื่อว่าความตายยังไม่ มีพระองค์ใดใหม่ที่จะสอนเราหรือเทวดาองค์ไหนหรือภพองค์ไหนพอนึกอย่างนี้ท่านก็ยิ้มท่านบอกฉันนี่แหละจะเป็นคนสอนท่านก็แนะนําให้ผมว่าถ้าหากว่าจะสอบตามวิธีการที่ก็สอบต้องตอบอย่างนี้ต้องมีความเข้าใจ รู้สึกว่ามันผิดกันมากว่ามันผิดกันมากแล้วก็ <c oughs> ก็ถามท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะเข้าไปได้มันต้องมั่งได้มั้ยอย่า ความจริงคําว่าพระอริยเจ้าจริงๆเนี่ยบรรดาท่านพระพุทธบริษัทที่ท่านตายคือผู้หญิงผู้ชายท่านตั้ง ต่างคนต่างสะตั้งใจสนับ ผู้พูดและผู้เขียนก็หันไปมองพระอริยะเจ้าที่สนใจก็คือไม้ท่านก็ชี้มือชี้ไม้แสดงว่ารู้จักกรรมกรก็เยอะแยะตั้งชาติก่อน เธอว่าที่เป็นอนาคามีทั้งผู้หญิงผู้ชายก็มีพระโสดาบันก็ แต่ความจริงพระอัยาจเจ้าผู้ <c oughs> นะที่รู้จักกันก็มีที่ไม่รู้จักเป็นคนโง่เง่าเต่าตนกรองความว่าวันนี้เป็นวันสําคัญวันว่าเดี๋ยวเรา ก็คิดว่าอยู่บนสวรรค์ชั้น <c oughs> <c oughs> ก็ปรากฏว่ามีเทวดากับนางฟ้าทั้งอาการพระฉันเมื่อค่อยแล้วถ้าเค้าใส่บาตรพอใส่บาตรแล้วท่าน แต่ก็จงอย่าลืมว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์กระเถบอกว่าพระ ในเมื่อท่านพูดเท่านั้นทำบุญได้บุญก็แล้วกันเมื่อท่านพูดเท่านั้นท่านก็ และรับความรู้คิดว่าปีนี้เราต้องสอบต้องทําโทได้แน่เพราะ <c oughs> De barrière van de barrière van de barrière van de barrière van de barrière van de barrière van de barrière van de barrière van het barrière van de barrière van de barrière van de barrière van de barrière de barrière van de de de van de สัจจะอนาคามีจะเข้าใจเรื่องอรหันต์ก็ไม่ได้อรหัตตม์ดาจะไปเข้าใจเรื่องอกัสสาวกเรื่องไฟเรื่องฟ้าเรื่องฟ้านี่ก็ 3 คนจะนอนหรือไม่นอน ร่างกายต้องเป็นร่างกายเมื่อคืนนี้ร่างกายมันนั่งมันนั่งทั้งข้างล่างหรือก็นั่งทั้งข้างบนไม่มี ไม่มีอะไรแตกต่างกันต่างคนต่างก็เข้ากลดนอนเวลานอนทํายังไงบรรดาท่านพุทธบริษัทก็นอนธรรมดาธรรมดาไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรที่ฟังอย่างนี้นะที่ฟังอยู่นี่และอ่านอยู่นี่ก็ตามจงอย่าคิดว่าผู้พูดหรือผู้อ่านนี่เป็นผู้วิเศษวิโสยังก่อนต้องถามกันก่อนว่านิพพานทั้ง <c oughs> 5 ประการน่ะตัวไหน คำว่านิพพานแปลว่ากิเลสญาณที่ทําบัญญัติ 5 ประการครบท้วนบริบูรณ์ดี 5 อย่างความรักในระหว่าง อารมณ์ฟุ้งซ่านคิดลนโลดทางทางก็มีอาการ 5 ยังเป็นคนเลวเต็ม 100% แต่ว่าเป็นประเภทที่เลวค่อยๆแคะความเลวออกแต่มันก็ไม่ออกนิรวนมัน อันนี้ถ้าท่านจะถามว่าคํานวณขนาดที่อยู่ในป่าถ้านิรวรกวนใจจะทํายังไงก็ต้องขอตอบสั้นๆ น้ำมันจะแห้งจากไม้สดที่ยางยังมีอยู่ชั้นใดพระที่กําลังทุดงอยู่นี้ หมูอาจจะกับตายก็ได้จะมโนตายก็ได้แค่วลีไว้ที่เราถ้าเรานิพพานเกิดขึ้นปั๊บก็มีความรู้สึกตัวก็ <c oughs> นิพพานตัว 4 หรือก็ศีล 4 ไม่ 5 เกิดขึ้นก็ไม่ยากขยับใจ 4 เกิดขึ้นความฟุ้ง เห็นยามประอทปั๊บหายองค์สั่นทันทีถ้าอารมณ์สงสัยเกิด ศรีภจัญอำเภอศรีภจัญจังหวัดสุพรรณบุรีได้เป็นแรงวันแรง กองตัวเป็นลายิตั้ง